สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิสยาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพเยซูตอนที่สามร้อยสามสิบแปดเรื่องกำหนดเวลาของพรพเยซูพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยนบทที่เจ็ดข้อที่สิบพระธรรมยนบทที่เจ็ดข้อที่สิบเราจะอ่านจนถึงข้อที่สามสิบนะครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าแต่เมื่อพวกน้อ ง, องของโปรงขึ้นไปในงานเทศกาลนั้นแล้ว พระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วยแต่ไปอย่างเงียบไม่เปิดเผยพวกยิวมองหาพระองค์ในงานเทศกาลนั้นและถามว่าคนนั้นอยู่ที่ไหนและประชาชนก็ซุบซิบกันถึงพระองค์เป็นอันมากบางคนพูดว่าเขาเป็นคนดีบางคนว่าไม่ใช่เขาทำให้ประชาชนหลงผิดไปแต่ไม่มีผู้ใดกล้าพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยิวทันถึงวันกลางเทศกาลนั้น พระเยซูได้เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและทรงสั่งสอนพวกยิวพากันประหลัดใจและพูดว่าคนนี้จะรู้พระธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลยพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าคำสอนของเราไม่ใช่ของเราเองแต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้นั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเองผู้ใดที่พูดตามใจชอบของตนเองผู้นั้นย่อมสแสวงเกียรติสำหรับตนเองแต่ผู้ใดที่สแสวงเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมาผู้นั้นแหละเป็นคนจริงไม่มีอาธรรมเลยโมเสสได้ให้ธรรมบัญญัติแก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่หรือแต่ไม่มีผู้ใดในพวกท่านประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นท่านทั้งหลายหาโอกาสที่จะฆ่าเราทาไม คนเหล่านั้นตอบว่าท่านมีผีสิงอยู่ใครเล่าที่หาวกาศจะฆ่าท่านพระเยซูตรตัสตอบว่าเราได้ทำสิ่งหนึ่งและทั้งหลายประหลัดใจในสิ่งนั้นโมเสสด้ให้ทั้งหลายเข้าสุนัตมิใช่ได้มาจากโมเสตแต่มาจากบรรพบรุษและในวันสะบาโตทั้งหลายก็ยังให้คนเข้าสุนัดถ้าในวันสะบาโตคนเข้าสุนัเพื่อไม่ให้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสแล้ว ท่านหลายจะโกรธเราเพราะเราทำให้ให้ชายผู้หนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสบาโตหรืออย่าตัดสินตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินอย่างยุติธรรมเถิดเพราะฉะนั้นชาวกรุงเยอรมัมบางคนจึงพูดว่าคนนี้ไม่ใช่หรือที่เขาหาอกาจะฆ่าเสียนี่อย่างไรล่ะท่านกำลังพูดอยู่อย่างเปิดเผยชาทั้งหลายก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเลย พวกเจ้าหน้าที่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนี้เป็นพระคิดแต่เรารู้ว่าคนนี้มาจากไหนเมื่อพระคิดเสด็จมานั้นจะไม่มีผู้ใดรู้เลยว่าพระองค์มาจากไหนดังนั้นพระเยซูจึงทรงประกาศขณะที่ทรงสั่งสอนอยู่ในบริเวณพระวิหารว่าท่านทั้งหลายรู้จักเราและรู้ว่าเรามาจากไหนแต่เราไม่ได้มาตามลำพังเราเองพระองค์ผู้ทรงใช้เรามานั้นทรงศักดิ์จริงและท่านทั้งหลาย ไม่รู้จักพระองค์เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ได้ทรงใช้เรามาเขาทั้งหลายจึงหาโอกาสที่จะจับพระองค์แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เพราะยังไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์หัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือกําหนดเวลาของพระเยซูพี่น้องครับในพระชนะพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายถึงพระเยซูเสด็จมายังกรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในพระวิหารในช่วงกลางสัปดาห์ ของเทศกาลอยู่เพิงบางคนได้บอกว่าพระเยซูเป็นคนดีบางคนก็บอกว่าพระเยซูเป็นนักลวงโลกก็คือลวงประชาชนให้หลงพวกเขาซุบซิบกันถึงเรื่องของพระเยซูและข้องใจเกี่ยวกับพระองค์พี่น้องครับเรามาดูว่าพระเยซูตอบสนองอย่างไรพระเยซูไม่ได้ตกใจกลัวเลยครับและเมื่อโปรงเสด็จมาถึงก็เริ่มต้นสั่งสอนและนี่ เป็นที่อนุญาตและยอมรับกันได้รับบีหรือผู้สอนหรือครูของพวกยิวจะนั่งอยู่ในที่และสอนเป็นกลุ่มย่อยๆในพะวิหารพรวิหารแห่งนี้นะครับสร้างโดยกษัตริย์เทโรดในปีที่สิบเก้าก่อนก่อนคิเทสสการ์ดมีความสูงสองเท่าของพวิหารที่โซโลมอนสร้างขึ้นและบริเวณพวิหารนั้นก็กว้างประมาณแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดจุดห้าไร่เลยทีเดียวรวมๆกันนะครับก็คือเขตของ พื้นที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาลัย ร, รวมกับคลิสจักรพัฒนานั่นแหละครับคือความกว้างของบริเวณพระวิหารเมื่อชาวยิวได้ยินพระเยซูทรงสั่งสอนพวกเขาประทับใจมากพวกเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงรอบรู้มากมายขนาดนี้พี่น้องครับพระเยซูทรงทราบว่าพวกเขาข้องใจในความรู้ของพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อ เปเยซูอธิบายว่าคำสอนของพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นของพระองค์เองแต่เป็นของพระเจ้าผู้ทรงใช้พระองค์มานี่คือสิ่งที่ยืนยันครับเปเยซูบอกว่าคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติหรือคาสอนของเะเยซูก็จะรู้และมีประสบการณ์และจะมั่นใจว่าคำสอนของพระเยซู น, นั้นมาจากพระเจ้านี่คือสิ่งที่แตกต่างจากคาสอนของศาสดาในศาสนาอื่นๆเพราะอะไรครับเพราะมีพระเจ้า เป็นแบ็กของคำสอนมีการช่วยเหลือจากพระเจ้ามีการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในคำสอนนี้ผู้ใดก็ตามที่ประพฤติตามคำสอนของพระเยซูแน่นอนครับพระบิดาก็จะอวยพระพรพระวิญญาณก็จะทรงนาแต่เมื่อคนที่อยู่ในน้าพระทัยของพระเจ้าแบบนี้แล้วเขาจะมีประสบการณ์เขาจะมีความแน่ใจและมั่นใจว่าเขามาถูกทาง พี่น้รับพระเยซูประทับอยู่ที่นั่นในวันนั้นเพื่อจะอ่านจากม้วนพระคัมภีร์และอธิบายความหมายของพระคัมภีร์เพื่อหนุนใจประชาชนให้เขาเห็นถึงความผิดบาปของตัวเองและเขาจะได้กลับใจใหม่ในข้อที่สิบเก้าได้กล่าวว่าข้อหาอย่างหนึ่งนะครับของพวกผู้นําชาวยิวก็คือเขาหาว่าพระเยซูละเมิดบทบัญญัตินะครับละเมิดบทบัญญัติเรื่องอะไรครับเรื่องวันสะบาโตนะครับ และเรื่องเหล่านี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบหกนะครับ <c oughs> พระเยซูบอกว่าบรรดาผู้นำศาสนาก็ละเมิดวันสะบาโตเหมือนกันเขาละเมิดยังไงครับเขาละเมิดโดยที่ให้พิธีสุนัขแก่เด็กชายเนี่ยครับและถ้าโยงไปถึงในเลเวนิติบทที่สิบสองนะครับเราก็จะทราบว่าทารกชายเนี่ยจะได้รับพิธีสุนัข เพื่อรักษาบทบัญญัติข้อนี้บางครั้งจําเป็นจะต้องประกอบพธิธีในวันสะบาโตนะครับพวกยิวก็ดําเนินตามนั้นพระเยซูก็เลยยกนี้เป็นกรณีเปรียบเทียบว่าเขาจะโกรธพระเยซูไม่ได้เพราะว่าพระองค์ทําให้ชายคนหนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตพระเยซูตัดอย่างนี้ครับท่านทั้งหลายจะโกรธเราหรือเพราะเราทําให้ชายผู้หนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตหรือที่น้องครับพระเยซูท้าทายเขา ในข้อเหล่านี้พระองค์ทรงท้าทายและท้าชวนให้ตัดสินอย่างถูกต้องและยุติธรรมนะครับความยุติธรรมให้ถูกต้องจำเป็นมากในสังคมของเราในทุกวันนี้เช่นเดียวกันครับเรามาดูครับว่าประชาชนมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพระเยซูบ้างพวกเขาประจักษ์ว่าคนคนนี้แหละครับคือผู้ที่บรรดาผู้นำของพวกยิวจะพยายามฆ่า แต่แม้กระนั้นก็ตามพระเยซูมีความกล้าหาญไม่กลัวครับพระองค์ก็ทรงสอนอย่างเปิดเผยในพระวิหารเพราะอะไรครับเ พ, พราะพระองค์รู้ว่ายังไม่ถึงกำหนดเวลาของพระองค์พวกเขายังจับพระองค์ไม่ได้พี่น้องครับเรื่องกำหนดเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันหากยังไม่ถึงกำหนดเวลาเราก็ยังไม่ตายครับ ยังไม่ถึงกาหนดเวลาบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างก็ไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจในการทรงนำของพระองค์แต่ละคนแต่ละท่านก็มีวาระกาหนดเวลาของเราพี่น้องครับชีวิตของพระเยซูนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราทั้งหลายในเรื่องกาหนดเวลา เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องกลัวครับเราทำงานของเราอย่างเต็มที่เรารับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความถูกต้องและเมื่อถึงเวลาพระเจ้าจะเคลื่อนพระเจ้าจะทำให้งานของพระองค์และแผนการของพระองค์สำเร็จถึงครับโลกทุกวันนี้หรือแม้กระทั่งองค์กราศาสนาเรารู้นะครับว่าพระเจ้าอนุญาตให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเพื่อ เป็นโอกาสให้คนกลับใจใหม่แต่เมื่อถึงเวลากำหนดยังไม่ถึงพระเจ้าก็อนุ ญ, ญาตให้เกิดขึ้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาของเราแต่ละคนพระเจ้าก็จะดาเนินตามแผนการและนามาไทอันดีเลิศของพระองค์ในชีวิตของเราแต่ละคนอามน